เข้าไปรู้ไปสัมผัสไปเห็นแจ้งไปดูจริงตามความเป็นจริงนั้นอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ที่จะทำให้ตัวเราเป็นผ่าขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้ต้องลงทุนลงแรงเป็นเงินเป็นทองอันนี้และบทต่อไปเรามีสติกำหนดรู้ในอิรยิยาบถ ย้อยคือคู่เยียดเคลื่อนไหวจะเป็นการไหวตัวสนิทแตก็าตามให้มีสติเขาไปกำหนดรู้เข้าไปรู้ไปเห็นไปสัมผัสได้จริงจริงอันนี้เป็นวิธีที่พระเบญเจ้าทรงสอนเอาไว้ฤทธิสี่ไว้ให้เราทุกคนทำได้ไม่ยกเว้น ที่นำมาเราให้ฟังมื่อนี้ผมเองจะเอาชวิตเติมเดิมพันธ์รับรองคําสอนของพระเจ้านั้นแม้ชีวิตนิจลิลมไปเดียวนี้นี่ก็ตามมดไปเดี๋ยวนี้ก็ตามผมรับรองคําสอนของพระพิจาร้าลอยเปอร์เและผมก็ยังจะรับรองคําพูดของผมนี่อีกติมลอยเปอร์เมื่อนี้ที่จะได้นํามาเราให้เพื่อนกิจสุสมณีและ ยาโยมฟังผู้ที่มีใจิตใจเข้มแข็งทำให้ตนเองนี่แหละเป็นพระขึ้นมาได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องอ้อนวอนขอลองจากใครที่ไหนทั้งหมดวิธีที่ทำให้เป็นพระนั้นได้บอกเล้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนั้นอย่างที่เรี่ยวทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนและคูเยะขึ้นไว้ให้มีสติเข้าไปรู้ แต่สำหรับผมสินามาเล่านี้ให้มีสติเข้าไปลูกการพลิกมือขึ้นข้อมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยิดตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกกืนน้ำลายผ่านลงไปในลำคอนี่ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ ทุกอิริยาบถอันนี้ถึงจิตรู้อิริยาบถใดก็ตามให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้อันนี้วิธีนี้เป็นวิธีที่คนอื่นยังมองเห็นได้เข้าใจได้คนอื่นสัมผัสได้สัมผัสได้ด้วยตาตาเนือ้ออันนี้บวมในตาใจอันนี้คนอื่นมองเห็นได้ส่วนลึกกว่านั้นที่คนอื่นมองบนเห็นนั้นคือจิตใจที่มันนึก มันคิดขึ้นมาภายในใจิตใจส่วนลึกอันนี้ให้เฮามีสติเข้าไปกำหนดรู้เมื่อสติเข้าไปกำหนดรู้อันนี้แหละมันจะปรากฏตัวมันขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปทำพิธีอันอื่นอันมันมากเกินไปการทำอย่างนี้มีบุญมีกุศล มีอนนกสงมีพระลามากอย่างที่เขาสวดเมื่อกี้นีว่าการทำจิตใจของตนให้องแพ้วเพื่อให้สะอาดทำอันนี้ที่อันนั้นเป็นควรเวาเมื่อพูดถึงตอนนี้อยากนำเรื่องวินัยอัดบทหนึ่งมาเล่าให้ฟังสักข้อแรกที่สุดภิกษุที่บวชเข้ามาต้องเรียนนารกวาดว่า กัสิโบได้เลามาให้มันเรื่องอนุาสาแตกอย่างกัสิโบเล่าว่าวจอยจ้อบนเัาสิจัดใจขวนได้นี้ภิกษุเป็นอบัตต์ปราชิตขาดจากคนเป็นภิกษุเป็นภิกษุต่อไปบ่ได้ต้องสึกขันถ้ามุสึกก็ต้องบ่ได้ยอยู่ในสังคมของผู้ที่มีวินัยนั้นเป็นมา <c oughs> ข้อแรก าบัติประสักศิ์ของพิสูจมีอยู่สี่ข้อหนึ่งเศพเมถทุนต้องอาบัติประสิกศึกที่เพศตรงข้ามเป็นพิสูจบบรได้สองักของเขาหนึ่งราคาห้ามาสกมาสกหนึ่งยี่สิบสตางค์ห้ามาสกร0อยสตางค์เป็นบาทหนึ่งพิสูทําทเข้าไปแล้วขาดจากของเป็นพิสูุต้องสึกสาม ขาศัตรหนึ่งหมายถึงมนุษย์นอกคันในคันเมื่อภิกษุใดหรือบุคคลผู้ใดทำแล้วขาด จ, จากความเป็นภิกษุเว่าใยเป็นวายพูดอุตริมนุษย์สารำคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนอันนี้ความเป็นอาบัติทางพระวิ น, นัยขาด จ, จากความเป็นภิกษุอันนี้เป็นเรื่องวิ น, นัย วหนสมุติ <c oughs> ฟังกันต่อไปที่จะนํามาเล่าให้ฟังเป็นน้ำกันน้ําที่จะไปล้างสำนักมุนทินได้จริงๆภิกษุจะเป็นภิกษุก็าตามจะเป็นใครใก็าตามเป็นสนสุสทรใดภาษาใดก็ตามนุ่งหม่มภาษีอันใดก็ตามถือศาสนาใดก็าตามพูดภาษาใดก็ตาม ที่จะนำมาเรานี้เซเมตุนหนึ่งขาดจากความเป็นทิกษุคือความเป็นพระเรียบุคคณไม่ได้คือบุคคลผู้ใดยังมีโมหะอยู่มาครอบมอมปกปิดบังให้ความสว่างออกมาภายนอกได้นั่นนี่ว่าโมหะถ้าหากมีโมหะเข้ามาได้อยู่แล้ว โทษาก็ต้องมีโลภะก็ต้องมีเมื่อบุคคลใดยังมีสิ่งนี้อยู่ขวมเป็นพระเดียคนไม่ได้เป็นจิจสุในพุทธศาสนาไม่ได้อันนี้เป็นวินัยของธรรมะลักของเขาหนึ่งหมายถึงไปทรงจำเอาจากกรรมภีหรือตำรับตำลาหรือได้ยินคำพูดของผู้อื่นมาแล้วว่าแมนเรารู้เองเห็นเองด้วยสติปัญญา นุ่ยยาญของปัญญาแล้วอันนี้ถึงลอยสตามาสกหนึ่งยี่สิบตาหมายถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทศานลอยสตาง<ม>เป็นเตี้ยเป็นทิสูไม่ได้ในทางพุทธศาสนาเป็นพระียบคดไม่ได้เรื่องนี้ค่าสัตรูหมายถึงเม็ดพืชทุกเม็ดสามารถที่จะงอก เป็นต้นเป็นลำขึ้นมาได้ผลจริงๆและคนทุกคนสามารถที่จะทำตัวเป็นอนิจบุคคลได้ทุกคนสมมุติขึ้นมาอีกบุตรหนึ่งล้านดอกไมทุกดอกจะเป็นสีดำกระสางสีแดงกระตาสีขาวสีซิ้วสีเหลืองสีมอยอนโกโคตาจะบานได้ต่อเมื่อแสงตะวินหรือแสงพอาทิตย์ส่องออกมา เมื่อแสงตะเวนแสงภาทิศซองออกมาแล้วดอกไมน้น ก, กบาลได้ตามต้องการคนเราทุกคนเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะที่เป็นสัจจะวิธีปฏิบัติจริงๆแล้วนําไปใส่นาไปปฏิบัติสามารถที่จะทําตัวเรานี้ได้เป็นภาริยาบุคคลได้ทุกคนนะไม่เป็นอะไรถ้าหากว่าโบธรรมแล้วอันนั้นกับความเป็นภิกษุไม่ได้ ในทางพุทธศาสนาคือตรงกันข้ามในควาบวชฝังอันนี้ภาสนะบุคคยดีภาสนะมันหัวน้ำก็เลยบวชค้างให้เป็นศาสนาแบบนี้พุทอุตริมนุษยธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์อันทำเทิดกินอมามาันเราให้ฟังเมือง น, นี้นั้นว่าแม่นธรรมของปุถุชนเป็นธรรมของพระเดียกเจ้าหรือเป็นธรรมะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆ ผมรับรองได้และคำที่พูดเดี๋ยวนี้นี่กําลังพูดเดี๋ยวนี้นี่เป็นผมเป็นคนพูดเพราะคําเว้าคํานี้เป็นคําเว่าของพระเจ้าเป็นคําเว่าของประเดียบคนบูตุสุชนคนธรรมดาผู้หนานั้นไม่าสามารถที่จะฟังได้เพราะจิตใจมันหนักแน่นจิตใจหมกมุ่นอยู่ด้วยอวิชชาคือโมหะเป็นลากเงา โลภะโสะส่วยกันปกปิดเนื่องจากโมหะนี่เป็นคนสนับสนุนโลภะโสษาไว้ดังนั้นพวกเราทั้งหลายต้องเกี่ยมเนื้อเกียมตัวทำพาฒนาให้ดียังที่เพิ่นสวดกันเอาไว้ในตำดตำลานั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งและเมื่อผลที่เกิดขึ้นในการกระทำของเขานะั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่ง แค่นาก็ใส่ได้เป็นคู่กันไปธรรมะนั้นเองมีหลายอยา่างมีเปลือกมีกระพีมีแก่นและมีแก่นที่นำมาเล่าให้ฟังเรื่องอาบัาติประสิ์นั้นทุกทุกทันถ้าหักจิตใจเข้มแข็งเป็นภาสนะที่ดีรับรองเอาไปไว้ได้เป็นนานทิสะอาดจะเป็นล้างชีวิตจิตใจของเราได้จริง ทำตัวของฮองเป็นพระเหมือนพระพุทธเจ้านั้นได้จริงวิธีที่พูดแล้วนั้นเรื่องเคลื่อนไหวของร่างกายภายนอกนี่คนอื่นมองเห็นเรื่องการเคลื่อนไหวของจิตใจนั้นคนอื่นมองบดเห็นจะรู้ได้เห็นได้เฉพาะตัวเองคนเดียวเท่านั้นอันนิสวาสันทิติโกอันผู้รู้จะพึงเห็นเองอากาลีโก ไม่ประกอบการและเวลาจะมีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมก็าตามไม่มีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมก็าตามเราก็เลยเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเปนว่าเดินทางสายกาบเปินว่าเปิ่นว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องเปิ่นว่าความเห็นถูกต้องนั้นมันทูกหลายอย่างการทําบุญให้ทานรักษาศีลอันนั้นต้กระว่าเห็นถูกต้อง การทำสมถะกรรมาฐานอั น, นั้นต้งกับว่าการเห็นถูกต้องการเจริญปัญญาอันนั้นต้งกับว่าคับใเห็นถูกต้องทุกทุกอย่างดังนั้นที่จะนํามาเล่าให้ฟังต่อไปนี่เปนว่ า, าศาสนาแปละวะ่าคําสอนของท่านผู้รู้อันนี้กัแปลม า, าศาสนาแปละว่าที่พึ่งอันนี้กัแปลมาเป็นคําแปล โบมนภาษาเห่าแท้ๆโบมินภาษาเกิดมาจากจิตจักใจแท้ๆถ้ามันเกิดมาจากจิตจักใจแท้ตอนหลับหลองได้เป็นนั้นวิธีที่จะนำให้เป็นพระจริงๆได้นั้นโบได้มีบริขารอะไรต่างๆพ่อแหลกที่ว้ายห้ฟังนั้นให้มีสติกาหนดรู้ในริยบุตรนี้อย่างที่ พระพุทธเจ้าบอกไว้นั้นว่าไม่ยา่างบทสี่ยืนหรือนั่งนอนสี่อย่างและอรอยา่างบทย่อยกับสี่อย่างคลื่อนโคโยดเคลื่อนไหวที่อย่างนี้เป็นมักแปดเข้าไปได้เหมือนกันมักจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์อันนี้เป็นมักแปดโบได้เป็นสมาธิธอันนั้นมักแปดตัวนี้ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายาอันนั้นักแปดนาเดินทางไปกระทุกเดินทางนี้กระทุกแต่มันทุกคนละแบบ ด, ดังนั้นเมื่อจเจริญมักแปดอันนี้มาที่มีความปรากฏจยางใดสิหนึ่อแรลกนั่นจัดรู้เรื่องรูปนามเรื่องทุกขังอันนี้อางอนัตตาเรื่องสมมุติเรื่องศาสนาเรื่องพุทธศาสนาเรื่องบาปเรื่องบุญอันนี้จัด เป็นสันปัญญาชนเมื่อนี้ที่ได้พยายามเจาะเอาหัวใจผู้ที่สนใจผู้ที่จะนำเอาไปปฏิบัติจริงๆนั้นมาเล่าสู่ฟังอันนี้เป็นวิธีที่จะหมดควมทุกตัวอย่างที่คนกำลังมีกิเลสมาหรือสิ่งเสพติดนี่มา เมื่อเห็นอันนี้ีนชิซิว่าเสี่ยวกวัวภัยอันตรายอันนั้นเกี่ยวภิกษุเป็นผู้เห็นภัยผู้หนีจักภัยได้พิกษุตัวนี้พี่คือเห็นยังเห็นสิ่งเสพติดเส้นมาผูบุลีสุลาอันซาเฮโรอินทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งเสพติดภายนอกเมื่อเห็นแล้วมันเิละอาเมื่อเหมือนกับอาเกียนที่เรา ลาออกมาแล้วเราซิบ อ, อกเอาคืนมากินได้เป็นพอบานนันอันนี้อันนี้เนียกวัดสั้นปัญญาชดเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เลิกได้อันนี้กระสั้นปัญญาสนเมื่อกับแสงอาทิตย์ซองออกมาดอกไม้ทุกดอกต้องบานได้คาว่าบานนั่นก็หมายถึงทาได้เลิกได้ก็เมื่อได้ยินได้ฟัง แสงพาทิตย์นั้นเตียบว่ามีบุคคลสาคัญมาเปิดของที่คั่วของที่คั่วอยู่มาง่ายขึ้นเปิดขึ้นมาให้เราเห็นให้เราดูและของที่มันปิดอยู่มาหมายเกี่ยวมันออกมาไข่ออกหรือเปิดออกให้คนเข้าไปดูได้พิสูจน์ได้จริงๆเรื่องนี้อันมีเรียว่าสันปัญญาสน ส้วนลึกเข้าไปอันนี้เป็นกิเลสภายนอกที่เราเนี่ส่วนกิเลสภายในบ่อ น, นี้เฮาคอยดูจิตใจที่มันปรากฏขึ้นมาเขาเห็นเขารู้เขาเข้าใจเหมือนกับหนูกับแมวที่คอยจ้องกันอยู่เมื่อหนูออกมาแมวมันจับทันทีคือตัวมีสติเข้าตะกําหนดรู้ความคิดนั่นแหละมันทิไปจับเอารู้ ควคิดที่หยุดทันทีอุปมาอุปไมยอีกตึงเรื่องเหมือนกับเราขุดบอ่อน้ําขุดบอ่อน้ําลงไปแล้วเห็ดน้ําเราโบต้องไปสงสัยมันว่าน้ํานี่เมื่อไดที่ใส่เนาะแต่โบต้องไปสงสัยขุดลงไปโกยเอาตมเอาเลนที่มันอยู่ในบอ่อนั้นออกมาเฮามีขันตักออกตักออกตักออกวิดออกวิดออก วิทออกจนน้ําข้างนอกเนี <down> ่หมดน้ำข <c oughs> mm ้างในมันไหลออกมาเมื่อน้ําข้างในมันไหลออกมาเขาเอามือไปกวนในบ่อนกวนตมเลนที่มันติดอยู่ปากบอนั้นมันจิตสกอกปกลงไปเขาก็ตักออกอีกตื้มตักออกตักออกจนมันหมดพอด้นบ่อนเมื่อมันหมดไปถึงก้นมอญและห้องก็ต้องตาไว้น้ําข้างในมันก็ไหลออกมาอีกตื้ม เขาเอามือไปกวนมันเข้ากวนเข้ากวนเขา้เขาตักออกตักออก น, น้ำนันอย่างบรทสันสะอาดพอวันนี้เขาปล่อยไว้น้ําข้างในมันจีไหลออกมาเขามา ก, กวบนบ่อนนัอีกทึงน้ำนั่นมันจะไปล้างต่มโคนหรือมันติดอยู่นําบ่อมั้นออกให้หมด น, มน้ำนันก็อย่างบรทสันสะอาดเขาก็ตักออกตกักออกตกักออกอีกตึม ที่อยู่ข้างในไปสิไหลออกมาเมื่อน้านั้นไหลออกมาแล้วความสะอาดข้างนอกพอแล้วข้างในนะั้นออกมามีแต่น้าดีๆกินได้ตื่มได้อาเป็นลางที่สุขปกใจอันนี้ก็สำคันฉะนั้นจึงบอกไว้แล้วว่าดอกไม้ทุกดอกบานได้ตามต้องการต่อเมื่อแสงตะเวนหรือแสงพรอาทิตย์ออกมาอันนี้เป็นเรื่องสมมุติ ที่เวลามา น, นี่ส่วนจิตใจนั้นเขาจิเห็นว่าจิตใจที่มันอยากสู้บุรีทุกเกิดขึ้นแล้วเขาจะเห็นจิตใจมันอยากกินเล้ากินสุราทุกเกิดขึ้นแล้วจิตใจคิดอยากไปดูหนังดูรีลละครทุกเกิดขึ้นแล้วมันจิเห็นไปทั้งสี่เห็นทั้งสี่นั่นเนี่ยเรียกว่าวัตถุเพราะมันมีอยู่ในนั้น ปรมามัดคือกำลังเราสัมผัสอยู่ในนั้นอาการสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเป็นอยู่จังสังอันนี้เหมือนกับตักน้ำออกตักออกตักออกอันนี้เข้าไปแล้วขั้นต้นเรียกว่าเป็นปฐมมสารญานของปัญญาเกิดขึ้นแล้วมีตาทิพให้แล้วบุคคลผู้เช่นนั้นมีหมูทิพเกิดขึ้นให้แล้วบุคคลผู้เช่นนั้นอันนี้เป็นวิธีที่ขอแหลกจัดการกับคมทุกข์ภายใน เราก็เฮ็ดเหมือนเดิมนั่นแหละเอาสติมาคอยดูการเคลื่อนไหวของรูปกายรูปนามและเอาสติมาดูความคิดที่มันปรากฏขึ้นมานั้นดูอยู่จางนั้นแหละซ้ำซากมาอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนแมวกับหนูนั่นแหละมันออกมาก็ต้องจับปรับทันทีเปรียบอีกอย่างนึงเหมือนกับขุดบอน้านั่นแหละหรือเปรียบอีกอย่างนึง เหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในธ ร, รําถอนตัวออกจากธรรมอย่าไปอยู่ในธรําอย่าเข้าไปในคมคิดแบบนี้มันคิดเอาหมายถอนตัวออกโลทันทีอย่าเข้าไปในควมคิดอย่าไปฮู้กับมันเมื่อไปฮู้กับมันมันสิพาเ่าไปเป็นอวิชชาเมื่อเขาถอนตัวเขาออกได้เป็นวิชาอันนี้เป็นวิธีที่สองเข้าไปเมื่อเป็นเจ น, นีเรื่องอุปทาน เรื่องกิเลสตัณหาหวมยึดมั่นถือมัน่นเป็นวาเป็นอุปทานอันนี้จิคอยยืดคายไปเป็นทุติยสารมาตรงนี้ที่ว่านี้บบได้เกี่ยวข้องกับตำลามาเท่าใดว่าเอากัน้นเอาน้ากันมาเพื่อให้เพื่อนภิกษุส ม, มเณนนีและญายุเอาไปเป็นน้ำอย่างที่พระพุทธเจ้าทวนกระแสของน้ำนั้น ไปสําระล้างมนติที่มันสุกปุกอยู่ใส่ล้างให้มันหมดอันนี้เป็นโทกติญญาสารไปเสียแล้วแต่องค์นั้นย่อมจ น, นได้พูดเถื่อนอันนี้เป็นวิธีที่จะทําให้เป็นผานเกิดขึ้นมาภายในจิตใจไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องจากใครที่ไหนการเดินทางไปหาปุริเจ้าเดิ น, เ ด, น, เ, ด น, เ, ดนเดินไปจุดนี้ว่าไมนเดินไปจุดอื่น รับรองว่าไปถึงพระพุทธเจ้าจ ร, จริงๆข้ามาจุดนี้วิธีที่สามต่อไปก็ให้เอาสติมาดูการเคลื่อนไหวคือเก้านั่นแหละเหมือนแมวกับหนูอย่างท่วานั่นแหละหรือว่าเอาสติมาคอยดูจิตดูใจกำลังมันนึกมันคิดนั่นแหละเหมือนกับตักน้ำบอนั่นแหละตักออกไปตักออกไปนั่นแหละวันนี้ก็เหมือนกับที่ ทางเ่วะเขาไปอยู่ในทั้มออกจากทําสัะอยากเข้าไปในความคิดซะเมื่อเขาออกจากทั้มแล้วก็เห็นมาอยู่ไกลๆมันอยู่ไกลทั้มเหลี่ยวเบื้องในรรทั้มชี้เห็นอยู่บนหัน่นบอ่ออยู่บนหันเขาสิเห็นเมด่ันนี้อันนี้แปลว่าปกติเกิดขึ้นมาแล้วปกติเกิดขึ้นมาแล้วจิตใจเขาเป็นปกติแล้ว ร่างกายเขาเป็นปกติแล้วความคิดนะเป็นปกติแล้วการพูดการจาเป็นปกติทุกอย่างอันนี้แหละสิ่งกาจัดกิเลสอย่างงาสมาธิกําจัดกิเลอย่างกาปัญญากําจัดกิจกิเลอย่างละเอียดมันมาตกบุตนี้เรียกว่าตากติญาาสัตําราขจวายแต่โบได้เหมือนกับตําราที่เขียนไปนั้น จิตใจเราเปลีป่ยนแปลงรูปที่สานี่จึงมาเป็นปกติเด็กแต่ญญาศาสตรอยู่ที่ตรงนี้อันนี้เหมือนกับที่ว่าเรากินน้ําแข็งที่แรกเราเห็นน้ําแข็งเราไปกินน้ําแข็งน้ำมันเย็นยินเข้าไปกิงเข้าไปแล้วมันเย็นบุธันนาความร้อ น, นอยู่ข้างไหนไมันจึงคอยรอ้อนออกมาอีกตื้นหนึงอันนี้ พวกที่เคยทำกรรมฐานว่าเจ้าของได้ความสงบว่าเจ้าของมีสินมีสมาธิมีปัญญารอบรู้แล้วสงบน้ำแข็งนั้นโ <c oughs> บเมนน้ำแท้ๆนี่น้ำแข็งมันเย็นในซัวขาวตัวนั้นนี่ฉะนั้นสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจนั้นอย่างที่อาบัติปราสิทธิพุทธไว้นั้นสังขารทิเส ก็ตามอันนี้ก็ตามสงบแบบน้าแข็งโมเมนต์สงบแบดแทะบมเมนสงบแบบอย่างจริงจังคือน้ําโดยธรรมชาติจินไปแทะนั้นน้าแข็งกินแล้วมันหอมมันเย็นเต็ ม, มทั้งอิฐเท่านั้นการทําบุญให้ฐานรักษาธิตตกอยู่ภายนั้นตก้ามาภายจิตใจเลื่อนร่างกายวาจาเป็นปกติตัวนี้เป็นอธิสิท์สิกขา เป็นอธิขิตาสิกขาเป็นอธิปัญญาสิกขาเป็นสินขันเป็นสมาธิขันเป็นปัญญาขัน์สิกขาแปลว่าขัดเก่าขันแปลว่าที่แปลว่ารองรับได้ทุกเนื้ทุกมุมอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้โดยไม่ได้ไปรับประภัภยทั้งหมดเพราะมันเป็นเครื่องทะลุอยู่ที่ตรงนี้เป็นเครื่องผัน เครื่องเปลี่ยนที่ตรงนี้อันนี้เป็นพาขึ้นมาอีกซ้มแล้วะเป็นระดับนึงไปแล้วเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างสี้และเราก็ทําอย่างเดิมนั่นแหละไปเอาสติมองดูการเคลื่อนไหวของเราให้ดูเทาดูทันดูจากกาันรู้จากแก้เอาสติมาดูความคิดมันคิดอย่างเฮาดูเฮาเห็น ให้รู้เท่ารู้ทันรู้จับ ก, กันรู้จับแก่อยู่อย่างนั้นแหละเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตใจเขาสิเปลี่ยนอีกเติมเถื่อนึงเราลืมที่รู้จักภูมิสถานที่ที่จิตใจเข้าไปอยู่ได้นั้นเรียก ว, ว่าถ้าพูดตามส่วนเนือยจำปกกาในตาราเขาจะบอกใบจังสันกา ม, มาสะวะ พราาะวสวาอวิชาสะวะกามผู้หมกมุการแปลผู้หมกมุการ ม, มาสอบพระ ว, ะาวาสะวะแปลบุคคลผู้นั้นยังจะมีพบอยู่หลายอวิชาสาวะคือบุคคลผู้ยังนอนหลับอยู่ที่เห็อย่างสัตวผู้ที่มีตาทิพบุมุนตาทิพที่ไปมองเห็นสัตว์นังสัตว์นี้น หือผู้นั้นทําดีทํำสวไัได้มองเห็นเป็นอย่างสัตวตาทิพย์ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สอนจังซีขูมจริงเป็นยังซีผมรับรองอยังซีแทนพระพุทธเจ้าเพราะพระเจ้านั้นนิพพานกับวัดไดตายกับวัดได้หมดชีวิตเด็กวัดได้ดรดดอให้ฝังบโเปิผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนตามแบบพระพุทธเจ้านั้น รู้ตามแบบพระเจ้านั้นเข้าใจตามแบบพระเจ้านั้นต้องรับรองคําสอนของพระเจ้าทุกบททุกตอนแม้ถึงจะตายไปเดี๋ยวนี้ก็ตามสางเอาเคยว่ากันอยู่ใน ว, ว่าเสียเงินเสียทองหรือเสียสละทรัพย์ของพ่อเขารักษาอวัยวะเสียสลาอวัยวะส่วนในส่วนหนึ่งพอเขารักษาชีวิตของเขาฮวาจังสังบัด น, นี้เสียสละชีวิตเพื่อรักษาสัตว์จะทำ คำสอนของพระเจ้านั้นไวเพื่อให้เป็นดวงประทีปให้โลกได้ศึกษาต่อไปโลกนี้มันมีความเดือดร้อนความวุ่นวายเมื่อผู้ใดศึกษารู้แจ้งเห็นจริงตามคำสอนของพระพิฆเนศจริงๆแล้วต้องสามารถกล้าจริงอย่างรับรองได้เมือ่อข้าพระพิฆเจ้านั้นเนแยกกับพิสูจน์ได้จริงอันนี้ผมผู้หนึง่ง ให้่าผมพูดนึ่งทีเดียวจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับเพื่อนมนุษย์จะเป็นภิกสุสมณเณรก็ตามจะเป็นฆรวาสญาติยงก็ตามจะเป็นสนซาตใดภาษาใดก็ตามนุ่งผมผ้าสีอะไรก็ตามคือศาสนาใดก็ตามหลับหลองได้เมื่อปฏิบัติอย่างนี้ในตำลาบอกไว้ในหลักสูตรนักธรรมสันอิ ผู้ที่จเจริญสติประฐานสี่นั้นให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ย่างนานเจ็ดปีย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างไหวที่สุดนับตั้งเตยมือหนึง่งถึงเจ็ดมือหรือสิบห้ามืออาในทรงมีอยู่สองอย่างเิ่นเขียนไว้ในหลักสูตรธรรมวิจารหนึ่งเป็นพระาหารหันสองเป็นพระนาคามี ขัดเป็นผ้านาคามีนั้นตายจากรูปมีดวงจิตวิญญาณนั้นจะไปเกิดในรูปปัตนิมีพรมอ น, นันต์อวัยหันสก่อนตอนที่ผมกล้ายืนยันรับรองคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกตอนนั้นผมกล้ายืนยันรับรองอย่างนี้ผู้ที่จเจริญสติปัญญาสี่แบบที่ผมว่านี้ ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิทรียบุตรทั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนถึงที่รู้อรียบุตรแต่ก็ตามสางให้มีสติคอยเข้าไปรู้อยู่สนนั้นและอรียบุตรย้อยตึงโคเยียดเคลื่อนไหวให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ทุกแง่ทุกมุมอันนี้หลับหองได้ว่าอย่างนานไม่เกินสามปีอย่างกลางหนึ่งปี อย่างไหวหรืออย่างเร็วนับตั้งแต่ ม, มือหนึ่งถึงเก้าสิบมืออานนี้สรงไม่ต้องพูดเลยความเป็นพระนั่นเนี่ยจกปรากฏขึ้นมาให้บุคคลผู้ที่ทำจริงๆนั่นแหละหมดทุกได้จริงๆทุกอย่างที่ผมมานี้มันมีหลายสั้นหลายขั้นหลายตอนเมื่อจเจริญจริงๆแล้วหมดสงสัยครังเมื่อหมดสงสัยล้วก็หมดทุก ตอนนี้เรียกว่าจัตุทสา ร, รจัตุทสา ร, รมหมายถึงยานทั้ง4ี่อย่างสมมุิว่ากันขึ้นมาแต่ทมจริงเป็นอยู่ในนั้นคือธาตุซีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจะมาประสมกันเขา้าทำลายตัวเองในกอในขอนงอในายกระตัม้างนะทั้งสี่คนนี้นะวางซนะ เลิกงานซะหอะย่าทำงานต่อไปสะเขาก็เลยมาสวดว่าเขาซ้อหาในสร้างผู้สร้างภพผู้สร้างาสรสร้างอย่างไอเห่เาเราเห็นเจ้าแล้วเจ้าจีมาปลุกเงินในค่อยกได้ตืมแรงคงเงินของเจ้าเขาก็ลือเสียแล้วคว่อยทำเงินเสียแล้วอันนั้นเป็นคำพูด นะว่าหาในซ่านะเป็นคำพูดแต่เมื่อมาทำแล้วเขาสติมาเบิง้งคววมเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆ อ, อันนี้แหละคอยดูจิต ด, ดูใจนี่แหลยไปคววมเป็นคววมมีคววมปรากฏมันค่อยไหลเข้าไปเขาก็เลยรู้จักว่าธาตุี่คือธาต ที่เฮาที่อัดเป็นพระพุทธเจ้าหน้อยๆก็ได้เดินตามไปนมพระพุทธเจ้าใหญ่ก็ได้เป็นในชีวิตนี้ <m ains> บ่เรียนสิบวันตายแล้วจึงเป็นตาทิพก็ต้องเห็นในชีวิตนี้หูทิพก็ต้องมีในชีวิตนี้บ่เรียนต่ายแลย้วยังเป็นตาทิพคืออย่างบึ้งเห็นโลดขนเห็นโลดกิริยามารยาเห็นโลดตาทิพเห็นอย่างสีผููทิพ ฟังลลแล้วหูจักรถว่าอันนั้นมันพิษว่าอันนี้มันทูกขมันหู้จักนะครว่าอันนั้นเป็นเรื่องสมมุติว่าอันนั้นจะเรื่องปุคกระดิษฐานว่าอันนั้นเรื่องคนคนบุหู้จักแท้ว่าอันนั้นเรื่องจำตำรับตำราว่าอันนั้นจำคำพูดของผู้อื่นมาหู้จักบางสีเรียกว่าหูทิพย์นาทิพย์เบื้องการทำกันผููท่านหู้จักรถเป็นเพราะฉะนั้นทุกคนมีอยู่แล้วเม็ดพืช เม็ดพืชย่างที่วานเหมือนกับเขาที่มันอ้วนมันตึง้งมันเต่งถ้าห้าว่างออกไปวางลงใหนหนามันจะงอกขึ้นมาแตกขึ้นมาเป็นต้นเป็นลําเป็นเฟืองเป็นฟางเพราะเฟืองที่รุ้จักบ้านหมาพอดีว่าเฟืองเป็นฟางขึ้นมาเมื่อเป็นเฟืองเป็นฟางขึ้นมาแล้วเม็ดเขานเนี่ยมันจะคอย ต้นเขาเนี่ยมันจะคอยเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาเป็นใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เป็นกาไปทอนออกมาไปดำ ม, มาเอาไปดำมาอลไรแบบ น, นี้มามยันขาดเขาไปายามอัดต้านตันน้ำไปต้นเขาต้นนั้นเน่ยมันเป็นนําเฟืองเป็นลำาํางมันค่อยคอยอ้วนขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเป็นลำแล้วก็มานมานแล้วมันค่โค้งขึ้น เมื่อคงขึ้นมามันเป็นข้าวรีบเป็นเข้าวรีบแล้วบันนี้ไม่เข้าวรียบมันตั้งขึ้นมันอาจจะหงกลึ้นไปทางถิงฟ้ามันคอยรับออากาศเมื่อตอนเย็นนั่นทีมันจิตแตกอากาศมันจะค่อยเข้าไปในเม็ดข้านั้นเม็ดข้านั้นก็จะคอยอ้วนคอยตึงขึ้นไปมันฟ้าจมทีละเล็กทีละน้อยเมื่อเม็ดตึงขึ้นมาในไม่ดข้าวมันจะโก่งลงโกงลงมันจี่แก่ แลวมันก็จะเป็นเข้าเม็ดตึงๆอยู่ในนั้และเราจะได้ประโยชน์ผลมันคือที่ได้เอาไปสี่มา เ, เป็นเนื้อเป็นข้าสุกกินการทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหาพุทธธรรจุดนี้แล้วโบเมนท่แต่มันก็อาศัยจิตปรจุดนี้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเขาเคยทำนาเคยทำสวนและฮอตกินโบปิน กินต้นไม้กินบุปผินเขากินผลมันพุ่นเปลือกหนอก็บบุปินเขากินไหนมันพุ้นบนมันสิเป็นแต่กินบนรถมันดีดพุ่นวันนี้เขาทำนา้ำเขากินฟางบเปผินเฟืองเขากินบเป็นงูอควัยกินตัวงูนี่ก็สิบุงู้จักวัวคัน่าตามตัวนี้ก็ัวควายกินขันบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าตัวงูตัวควายมันกินตัวฟางมันกิน ถ้าเป็นเข้าเปลือกได้หมดถ้าเป็นเข้าเปลือกกับเป็นตกเต็กตกไก่ตอกหมูตอมามืนกินเต็มถ้าเป็นเข้าวสารได้ถ้าเป็นเข้าสารก็กินได้คนก็กินน้อยๆกินหลายเป็นผิษกินหลายเป็นพิดถ้าเป็นเข้าสุกได้กินแต่บทเป็นผิดเปรียบให้ฟังอีกตัวนี้เมื่อกินเข้าสุกนักับหม่เพีงผู้ที่มีกาทิพผู้ที่มีหูทิพ เห็นแล้วเราได้เห็นต้องกินเข้าสุกโบกินที่เต็งถิ่นคนถ้าหากกินเฟืองกินฟานั่นก็เหมือนกับคนเขานี่แหละเหมือนสัตว์ยังเป็นสัตว์อยู่ยังบม่ได้พัฒนาเพื่ให้ไปเป็นคนเป็นมนุษย์ยังว่ามนุษย์ครึ่งหนึ่งหรือคนเครื่องนึงสัตว์ครงหนึ่งที่เนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ในว่ามนุษย์ครึ่งนึงน่นมันลงหลงคํำพูดไป คนเกิดขึ้นมานั้นเป็นสัตว์คึงหนึ่งเป็นคนคึงหนึ่งอย่างโมทัศน์้เป็นมนุษย์เลยเนี่ยปัญญาเล่นว่าครึ่งสัตว์ครึ่งคนจะเดินไปทางใดก็ได้จะเดินไปทางนรกไปเป็นเตศไปเป็นสัตว์เอลฟาไปเป็นอจุลกายได้ทางนั้นและจะพัฒนาให้เข้ามาเป็นคนไปเทวดาไปอินไปพรมก็ได้ทาง รูจะพัฒนาขึ้นมาให้เป็นมนุษย์เข้ามาสายพระเรียเจ้านี่ได้ทั้งนั้นดังนั้นขันธ์ถ้าเป็นฟางขันธ์ถ้าเป็นงูเป็นกัวกัดกินฟางกินเฟืองนั่นแหละถ้าเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมูเป็นม้ากัดกินข้าวเปือกนั่นแหละถ้าเป็นเทวดาเป็นเทวดากัดทีไปกินข้าวสารนั่นแหะ ดังนั้นความเย็นมันจึงต่างกันนะครับถ้าพัฒนาเข้ามาทางเป็นภาพเนีเ้นกนาขขนกนรทีบบบบาาบบ่ไปกินเข้าสุขคุณโลดโบต้องกินแล้วเฟืองกระโบกินเขาเปื่อกระโบกินเขาสางกระโบกินไปจกิเข้าสุขดังนั้นทุกคนที่อยู่นี่ผมเองที่เนี่ยพอเองนัดรองว่ามีพืชกําแรงเพราะว่าเม็ดข้าวนั้นสีได้คอยแปกเอาพ้นมัน คอยรับเอาอากาศข้างบ<ะ>เปรียบอียังมึงได้มาไว้แล้วค้อแหลกข้อวมาดอกไม้ทุกสีสีดำสีแดงสีขาวสีซีวสีอย่างก็ตามเกี่ยมตัวไว้แล้วคอยลอแสงตะเวนนวึแสงผาทิศออกมาเมื่อแสงระเวนแสงผาทิศออกมานั้นก็บานไว้ตามป้องการอันนี้ก็คือกัน แล้วแต่ผู้ใดที่เอาไปปฏิบัติได้ที่บอกไว้แล้ววิธีปฏิบัตินำไปหาพระเจ้าบอกแล้วจำเอาเอาไปปฏิบัติเอาเองให้ผู้ใดเฮ็ดให้แทนกันบูได้แม้ที่มีเงินทองกองลุนซาก็เอาไปซื้อบูได้ซีวิตนั้นบูมีที่ขายซีวิตนั้นบูมีที่ขายเมืองไทยหลายจังหวัดบูมีบนในทําซีวิต คนขายบ่มีบนไดทำชีวิตสัคายเมีอประเทศนอกทางยุโรกวัฒนปัญญาพวกฝลังถามแล้วคนมาหาเงิกพมีอยู่พวกฝรังเ ค, เคยมีตน้ดขายชีวิตบกเคยมีตนาดขายข่มสุขบลบ่เห็นแต่ข่มสุขกเาจะว่ามีแต่ว่ามั้นบุ้งไมคข่มสุข เป็นความสะดวกความสนุกสนานซื้อโบมีควมสุขคันเมื่อมีตลาดขายชีวิตกับมีตลาดขายซีวิตย์ยืดกับมีตลาดขายคนสุขโดยเดียวเมื่อมีตนาดขายคนสุ ข, ข, สขก็ต้องมีตลาดขายซีวิตย์โยนันขายความสนุกความเล่นเลิ ง, เงบันเทิงนั้นโบมีคนละอันคับถามฝรั่งว่าโบมีคันโบมีจีฮิตตังไหน ก็าต้องหาทีพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าเกิดไม่มีตายไม่มีทุกข์ไม่มีเนี่ยเป็นสอนเอาไว้ถ้าถ้าเขาเป็นสาวพูธจริงๆเป็นลูกศิษย์พระพุทเจ้าจริงๆพัฒนาเขาไปหาพระเจ้าเพราะว่าพระพุทเจ้ า, จานั้บอกไปแล้วว่าไม่มีเกิดแล้วก็ไม่มีตายทุกข์ไม่มีไม่มีทุกข์แล้วก็มีตั้งแต่ขุมบ่มีทุกข์ก็คือมีความสุข ดังนั้นเงินทองกองร่นฟ้าไปซื้อบุได้เรื่องนี้แม้ไม่มีเงินบม่มีทองก็ซื้อได้ทาได้การปฏิบัติอย่างนี้บ่สาคัญผู้จนผู้รวยผู้จนก็ปฏิบัติได้ผู้รวยก็ปฏิบัติได้ไปซื้อได้จริงๆเรื่องชีวิตซื้อบุได้เราต้องไปสนใจกับเรื่องชีวิตสกปเรื่องเงินเรื่องทองเอาไปสกกรหาได้ดินเองทอง เพราะมันมีทีมทางอั น, นี้เรื่องชีวิตซิมบบีเพ็มาขายนอกจากพ ร, ระเจ้าคนเดียวเรื่องความสงบก็คือกัร น, นอกจากพ ร, ระเจ้าเท่าั้นเรื่องสาวรักอึนงสอนั้นโบจริหรอกโบรับรองคําสอนของพระเจ้าโบจริงดอกเนี่าไปเสื้อสิ่งที่เลวไหลไหลาสาระคนที่โบรับรองคําสอนของพระเจ้าพระคิตเตอรเสื้ออย่างใดเขาเคยได้ยินบอในประเทศอินเดีย มีนายครูหลายอาจารย์สอนกันอยู่บ่มีแผนรับรองผมได้ยินและได้อา่านหนสือเขาั้างพุทธสมาคมึคุนเรียกร้องเอาอาจารย์มาทั้งหมดระเจวยว่าสังไมน้อยผู้ได้รับรองคำสอนตัวเองได้วิธีปฏิบัติของตัวเองได้และนำมาสิดเพื่อนมนุษย์ได้โดยความเมตตาจริงๆนั่งกันให้นังอยู่นิ่งเงียบเส้า อันนี้เรารวบรัดทีเดียวนะเนี่ยบุได้ ว, วามาเป็นขั้นเป็นตอนนะถ้าหกากผู้ใดนั้นยังบ่รับรองคําสอนตัวเองได้นั้นแนะนํามาสอนนั้นยังบุษธันมีความมีเมตตายังไม่ได้สอนด้วยคนสุดจริตและตัวเองยังบุษธันได้อย่างสันรับรองบุไดนน้นึ่งนี่แต่พระยาุมกิ น, นข้สุขมสขมนธเสียข้าสารผเัเถอะอาจะวางนะในประเทศอินเดียว่านีเป็นว่า มีหนังสือบอกว่าคนจำนวนจํานวนที่บรับรองคําพูดของตัวเองได้เมตสอนคนอื่นใจบริเวณของเมตตาจริงๆบรุรด้มีความเ อ, อเื้อเฟือจริงๆตัวเองก็ยังบ่รู้จักวิธีที่ให้เขาไปจุดนั้นได้จริงๆก็เลยมีเหมดอนกัยังเหลืออยู่ผู้เดียวจะเเหลืออยู่บุพนิมีหมดเนื่อพราะว่าเมื่อกี้ในนินมดน ะ, ะ่ยค่ะเหลืออยู่ผู้เดียวเพราว่านิมันเขา่็มีจำนคนแล้ว ก็จะเข้าใจอย่างสัน้นเพราะเรื่องสมมุติมันเป็นอย่างสันง้นเองในไปหมดนะกายยังเหลือยู่ดเดียวคนจํานวนนั่งก็เลยถามท่านเป็นอย่างบนนี้กระบอปากท่านเป็นผีหรือกระบอปากท่านเป็นคนด้วยกระบอปากท่านเป็นเทวดาด้วยกระบอปากท่านเป็นพระเจ้าด้วยกระบอปากท่านเป็นยังโบปิดยัง เราวาเราโบปิ่งยังท่านยั ง, ยงบนนี้เรามีเรามีพร้อมแล้วเมื่อเธอต้องการแล้วเราสอนได้เรามีอั น, นันแหลกนี่ยพระพุทธเจ้าเป็จริงว่าดอกไม้จะเป็นสีใดก็าตามต่อเมื่อแสงตะเวนออกมาแล้วบานได้ตามพ้องกันเขาอยู่นี่ก็คือกันถ้าว่ามีบุคคลสําคัญรับรองคําสอนตัวเองได้จริงๆงแล้ว รับรองคําสอนของพระเจ้าได้จริงๆแล้วเขาก็ะยักทุกบก่ไผ่ยักทุกอยู่ในยกมือขึ้นรู้บม่มีจะผลมีแต่ยกยา ก, ยากบ่อยกมีทุกมีแต่ยักไปหาทางบ่มีทุกนั้นแล้วเมื่อใดขอเขาจะมาสอนกันเรื่องทางบ่มีทุกนั้นขเขาจีบเอากันแพีงแค่นั่นบอกคาว่าเพียงแค่นั่นก็ไอยทุกมันก็บุหมดจะเทือแล้ว วิธีที่ผมนํามาเล่าให้ฟังมื่อนี้เป็นวิธีที่เหนือ่อยทุกข์เหนื่อสุขเหนื่อบาปเหนื่อบุญโบเอายังทั้งหมดทําไมโ บ, อบอเอายังบเอาเอาควมเห็นแก่เอาควมรู้จริงยกมือขึ้นหูมือควงหูมือไปอย่างกำมือเข้าในหูมือผู้มือหูจับอันเดียวกันนควงหูมือควงหูจักมันใส่ มันค่อยหนี่ไปทีละเล็กทีละน้อยหนีไหน่ไปหนี่ไปเหมือนกับเขาสักผ้าผ้าที่เขาสักอบบกอยู่นั้นเขาเอาผงเอาน้นานะําน้าสะอาดนะโดนเป็นน้ําตมน้ําโขลนไหมมาแช่แล้วผ้าที่ซักอบบกนั่นก็คอยขาดออกไปทีละเล็กทีละน้อยอันนี้ก็คือการ เขาทำความรู้สึกในน้อยนี่แหละมันสามารถที่จะไล่ขวมปุจจานออกไปได้น้ำที่สะอาดนั่นก็คือให้เอาสติคอยดูการเคลื่อนไหวคอยดูจิตใจหนึ่งคิดอันเป็นผงที่จะมาไล่เอานั่นก็คือหมายถึงตัวอินทรีย์หรือจิตวิตรอย่างปัญญาตัวที่ปรฒนา ที่คอยเกิดขึ้นมาทีละนิดทีละน้อยสะสมเอาไว้มันจะโพองตัวมันขึ้นมาเมื่อมันโพองตัวมันขึ้นมาแล้วน็อตกับแหวนที่วางไว้ัน็นอตกับแหวนที่แรกมันเป็นเกลียวเอาหันเข้ากันแน่นหันเข้าไปจนแตกกระไดบัดนี้เอามาทํายังไงทําให้เกลียวแหวนกับเกลียวน็อ ฝึกหล่อสัตวถ้าเี่ยวนอด ก, กับเกี่ยวเวีวนั้นฝึกหลอเสร็แล้วเอาไปหันเข้ากันมันที่บเข้ากันได้เน่าไปว่ามันพอเรื่ออัญตนะภายนอกภายในอัญตนาสิบสองนะบุตรต้องวาหนอัญตนะภายในหกอัญตนะภายนอกหกนะตาเห็นสักว่าเห็นนะบ่ตรต้องวากระไดเมื่อเอามาทําความรู้สึกในน้อยอันนี้แหละ สร้างสมคมรู้สึกในน้อยอันนี้แหละคอยเบื้องการเคลื่อนไหวของผมคิดจิตใจมันนึกคิดอันนี้แหละมันี่ไปทำให้เกี่ยวนั้นสึกหร่อให้มึดเกี่ยวแหวนกับจิตสึกเ ก, กี่ยวน็อกับจิตสึกเอาเข้ากันได้แต่มันบูยูด้วยกันมันบูติดกันอันนี้ที่ผมได้นำมาลอยฟังเมือนกันกันกบทาร์ซ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลหจิตสลายตัวออกจากกันและเลิกหยุดการหยุดงานแล้วเพราะเมื่อยทำมาแล้วทำมาแล้วนานปีแล้วหยุดกระทึนก็เลยวางมือพร้อมกันวางพร้อมกันนะเป็นเสี่ยงเดียวกันจริงๆนะวางเครื่องมืออุปกรณ์บนที่ไม่ใช่ได้วางคนนั่นเธอนะี่ยอันนี้แหละแล้วก็เลยมาถอนพกยุ่ ทีสามวิญญาณหัวเนี่ยพอออกมาเห็นหน้าขาวๆมันออกมาเลยที่ไปปลูกตือบอดาอันนี้เป็นกฎธรรมชาตตายตัวมีอยู่ในทุกคนไม่ต้องกลัวตายเลยเพราะควมตายไม่ได้มีจริงๆพระพุทธเจ้าคุณจรจังกันเราจะเข้าไปหาคนตายโดยไม่ต้องกลัวและก็ไม่ต้องหารทีกลับมาเกิดอีกแล้วคุนสอนจงางกันพระพุทธเจ้าอันนี้แหละ ที่เขาสแสวงหาอยู่ทุกมื้อทุกวันสแสวงหาอยู่ทุกมื้อทุกวันเอาเงินทองไปซื้อบ่อใดเอาเงินอาทองไปซื้อบ่อใดจะซื้อใดต่อเมื่อผู้ซีทางพู้ซีวิธีให้ทําจริงๆนั่นแหละจะเข้าไปจริงๆไปถึงจุดนั้นจริงๆอย่าไปจริงเข้าสาร น, นะอย่าไปจริงเข้าสาร น, นะเราวังตอนจิงเข้าสาร น, นะเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วมัน จ, จะรู้จัก อันนั้นเป็นเข้าเปือกอันนั้นเป็นเข้าสารอันนั้นเป็นฟางอันนี้เป็นเข้าสุกจินโดยบม่มพิษมีโมยไทยอันนี้ให้เขา้าใจจังตีและอีกบทหนึ่งขอย้อนทายไว้ว่าเมื่อเขาไปถึงจุดนั้นมันจะปรากฏย่างรุนแรงย่างรุนแรงที่สุดอย่าไปตื่นมีครูมาปลุกเขาย่างรุนแรงอย่าไปตื่นเคยๆคอยดูจังหวะ มาจังหวดใดเขาต้องรู้จักอันนั้นเรียกว่าจุดสําคัญคือวิปลาสในตอนนี้เรารู้จักวิปลาสอินตรยาวิปัสสนูรู้จักสมาธากรมทานรู้จักการทําคุณให้ทานอันนี้เป็นว่าผู้มีตาทิพตาทิพนั้นบนได้มองเห็นเขาเื่อมอูนสลากกินแบงหรือรถตรี่อยู่กรุงเทพมันบนได้มองเห็นอันนั้น มองเห็นที่มันปรากฏขึ้นภายในจิตใจเพราะทุกคนเป็นอย่งซ้ำอยู่แล้วทุกคนเป็นอย่งซ้ำอยู่แล้วโมแมนไถ่ท้งหมดมันเป็นอย่งางซำอยู่แล้วเขาหักโมจิษาเมื่อเขาโศึกษาเขาสิดปาร์นาไอ้พระรเจ้ามาให้เทหาได้บอโบได้อ้อนวอนให้เทวดามาป้อยเขาได้บอโบได้ไปบ่าบนบวงสวงทีทำามให้เทหาได้บอโบได้เขาต้องเฮ็ดเอง ต้องทำเองจเจริญเองมันเป็นเองให้บุคคลผู้นั้นแหละดังนั้นความเป็นพระนั้นมีอยู่แล้วในคนทุกคนเลยจิตเตี้ยบอีกอย่างหนึ่งเม็ดพืชทุกเม็ดมันบอบดอกถ้าเอาไปเพาะไปปลูกงอกขึ้นมาทุกเม็ดคนทุกคนถ้าหากฟังจริงๆแล้วฐานะที่ดีแล้ว หลองลับเอาน้ำได้ดีแล้วนำไปล้างเย็นได้จริงๆบ่เหมือนน้ำแข็งโดยเป็นน้ำขั้นจริงๆเอาซีดลงไปใ่เนื้อหนอันนี้โลกจะหายจริงๆรลือพูดอีกอย่างหนึ่งถ้าฟังจริงๆแล้วนำไปปฏิบัติจริงๆแล้วสามารถที่จะทำให้เขาเป็นพระอนียเจ้าได้ในชีวิตนี้ทุกๆุกคนที่ผม และอาจจะมาได้นำมาเลาให้ฟังวันนี้กันเห็นว่าสมคูเนยสว่างขึ้นมาก็ขอหยุดอะเตียงแค่นี้อการขอบันทึก